และเมื่อละเพิ่มการมาราคปฏิฆะได้อีกสองรวมเป็นห้าก็ด้วยอนาคามีมักอนาคามีผลเป็นอนาคามีบุคคลทั้งค่านี้ก็เป็นสัญญบึงต่ายังมีสัญญบึงสูงอีกห่า คือรูปราคะอรูปราคะมานะอุทจจะอวิชชาละได้โดยอรหัตมักอรหัตผลเป็นพระอรหันต์ขีนาศพและมานะนี่เองดังที่กล่าวแล้วว่าอย่างละเอียดก็คืออัตตมิมานะ ความสำคัญหมายว่าเรามีเราเป็นก็คือยึดถือว่าเรามีเราเป็นเป็นอุปาทานอย่างละเอียดเมื่อละมานะนี้ได้ซึ่งรวมอยู่ในสัญญสูงห้าขอ้อก็เป็นอันว่าละความยึดถือว่าอัตาตาโตตนได้หมด จึงสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ขีณาศพส่วนคําว่าอัตตานุนิสติความตามเห็นว่าอัตตาตัวตนและคําว่าอัตวาทุปาทานความยึดถือวัฏทะว่าตัวตนเป็นคํากลาง รอบคลุมได้ถึงอุปาทานความยึดถือทุกชั้นทั้งชั้นหยาบชั้นกลางชั้นละเอียดเพราะฉะนั้นสัพทธรรมังกล่าวนี้จึงเป็นข้อที่ควรเพ่งปณิทพิจารณาให้เข้าใจทำไมแช่นั้นแล้ว ก็ยอมจะมีความสงสัยเป็นสงสัยว่าละส ก, กายธิธิได้ก็น่าจะไม่ต้องครองบ้านครองเรือนไม่ต้องแต่งงานแต่งการอย่างชาวบ้าน แต่ทำไมละได้แล้วจึงอย่างครองเรือนเป็นชาวบ้านอยู่ได้แต่เมื่อมีความเข้าใจในความหมายถึงขั้นตอนของอุปบาตฐานดังกล่าววม่ามีอย่างหยาบอย่างละเอียดก็ย่อมจะเข้าใจ และในอุปาทานสี่นี้ข้ออัตตวาทุปาทานที่สี่ความถือมั่นหรือยึดถือวัะวัตตนย่อมเป็นข้อสำคัญเมื่อมีข้อนี้อยู่ จึงมีกามอันทำ ม, มายึดถือเป็นกามโปพาทานจึงมีทิฏฐิคือความเห็นที่ผิดต่างๆอันทำ ม, มายึดถือเป็นทุูุ ป, ปาทานทิฏฐุ ป, ปาทาน จึงมีศีลในวัดต่างๆที่ปฏิบัติอันทำให้ยึดถือเป็นศีลและประตูป่าฐานเพราะเมื่อมีความยึดถือวาทะวาตนยึดถือสมมติบัญญัตวิวาตน ก็คือยึดถือที่ตังของสมตดบัญญัตินั่นนั่นว่าตัวเราของเราดังที่กล่าวเมื่อเป็นดังนี้จึงมีกวามคือความรักใคร่ปรารถนาต้องการในตัวเราของเราที่ยึดถือนั้นจึงยังมีทิฏฐิคือความเห็นที่ผิด ตั้งแต่อย่างหยาบจนถึงอย่างละเอียดเพราะยังมีอวิชชาคือความไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริงอันเป็นปรมัทิตยสั จ, จดังที่กล่าวแล้วจึงมีความยึดถืออยู่ในความเห็นนั่นก็คือยึดถืออยู่ในความเห็นว่า ตัวเราของเรายึดถืออยู่ในวาทะว่าตัวเราของเรายึดถืออยู่ในที่ตั้งของสมมติบัญญัติของวาทะว่าตัวเราของเรานั้นคือยังเห็นว่าตัวเราของเรามีเรามีเราเป็นและเมื่อเป็นดังนี้ ศีลที่ปฏิบัติวัดที่ปฏิบัติจะเป็นภายในภายนอกพุทธศาส น, ก า, น, ก า, นกาก็ตามจะเป็นอย่างหยาบอย่างละเอียดก็ตามยาึงอดไม่ได้ที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่งเสริมสนับสนุนอัตตาตัวตนคือตัวเราของเราี่ยึดถือไว้นั้นเพื่อตัวเราของเราี่ยึดถือไว้นั้น และศีลและวัดที่ปฏิบัตินั้นในเบื้องต้นก็ย่อมอาจจะยึดถือศีลและวัดภายนอกพุทธศาสนาต่างๆแต่เมื่อได้สดับฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติ สมาธิปัญญาของพระพุทธเจ้าในความรู้มาขึ้นก็มาปฏิบัติในศีลในะวัดในพุทธศาสนาแม้เช่นนั้นก็ยังทิ้งตนไม่ได้เพราะยังมีอัตาตาตัวตนที่ยึดถืออยู่ยังอาจจะควยเขวไปได้น้อยหรือมากแต่แม้ว่าไม่ควยเขวไปเลย ปฏิบัตในศีลใวัดที่เป็นมักฌิมองแปลกเป็นศีลเป็นสมาธิอันถูกต้องจริงๆและแม้ว่าไม่มุง่งมนุษย์สม ส, สมบัติสวรรคสมบัติแต่ก็ยังมุ่งนิพพานสมบัติ ก็คือเพื่อให้ตนที่ยึดถือไว้นี้มันลุกถึงนิพพานมันลุกถึงมรรคผลเพราะฉะนั้นก่อนนับว่ายังเป็นศีลับปตุปาถันอยู่แต่เป็นอย่างละเอียดเพราะฉะนั้นท่านพระอนนท์ท่านจึงอธิบายในข้อว่าที่ตรัสสอนว่าให้อาศัยตัหาละตัณหาก็คือ ผู้ที่ปฏิบัติธรรมะโดยปรารถนาว่าจะไหนหนอเราจะบรรลุมรรคผลนิพพานดังนี้จนกว่าที่จะได้ละอัตวาธุปาทานนี้ได้ ออัตตาดุทิธิความเห็นว่าอัตตาโภตนได้ละมานะที่เป็นอย่างวิเกษคืออัตตมิมานะหรือว่าอัตตมิมานะทิธิความสำคัญหมายความเห็นว่าเรามีเราเป็น ละได้หมดละอุปาทหมดดังนี้จึงจะละกามได้หมดละทิฏฐิที่เป็นมิจฉาทิฏฐิได้หมดเพราะละอวิชชาได้แ ล, ลับ ละศีลละผุปรามาดได้ละและละศีลละผุปาทานได้ความยึดมั่นถือมั่นในศีลและวัดได้ทุกอย่างเพราะว่าเศรษฐกิจที่จะต้องปฏิบัติแล้วเพราะฉะนั้นผู้ปาทานทั้งสี่นี้ ยังควรพิจารณาให้มีความเข้าใจแม้จะยังละไม่ได้ให้มีความเข้าใจเดีวตั้งใจปฏิบัติตามที่ท่าน菩าริบุตรท่านแสดงไว้ต่อไปว่าเหตุเกิดทั้งอุปาทานนั่นก็คือตัณหาดับอุปาทานก็คือดับตัณหาทางปฏิบัติให้ถึงความดับอุปาทานก็คือมักไม่องแปด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 เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงสัมมาทิฐิความเห็นชอบตามเทราธิบายแห่งท่านพระสารีบุตรมาโดยลำดับท่านพระสารีบุตรได้แสดงอธิบาย จบปัญหาหนึ่งแล้วภิกษุทั้งหลายก็ได้กราบเรียนถามท่านยิ่งขึ้นไปอีกและท่านก็ได้กล่าวว่ายังมีปริยายอื่นยิ่งขึ้นไปอีก และก็แสดงต่อไปอีกเป็นข้อข้อขึอข้นไปและทัานได้แสดงอธิบายตามหลักอริยสัจ ท, ทั้งสี่และตามหลักปฏิจจสมุปบาทธรรมะที่อาศัยกันมันเกิดขึ้น แสดงต่อจากที่ได้แสดงอธิบายแล้วจึงถึงตอนที่ท่านพระสาริบุตรได้แสดงอธิบายว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบก็คือรู้จักตัณหา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 รูปตันหาตันหาในรูปสัธตันหาตันหาในเสียงคันตันหาตันหาในกลิ่นรสตันหาตันหาในรสผทภพตันหา ตันหาในสิ่งที่ถูกต้องธรรมะตัญหาคือตัญหาในธรรมารม์อันด้แก่เรื่องและท่านได้แสดงอธิบายต่อไปว่า รู้เกิดเกิดตัณหานั้นก็คือรู้จักว่าความเกิดขึ้นแห่งตัณหามีขึ้นก็เพราะความเกิดขึ้นแห่งเวทนาและได้แสดงถึงความดับตัณหาว่าความดับตัณหามีขึ้นก็เพราะ ดับเวทนาแสดงทางปฏิบัติให้ถึงความดับตันหาว่ามีมักมีองแปดคือมักมีองแปดมีสมาธิทีิความเห็นชอบเป็นต้นจะได้แสดงอธิบายถึงข้อที่วารุจักตันหา คือรู้จักปัญหาในอาจตนะภายนอกทั้งหกหรือในอารมณ์ทั้งหกตัญหานั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสอธิบายไว้ เช่นในปฐมเทศนามีใจความว่าตัณหาเป็นเหตุให้มีพบใหม่ ไปกับนันทิความเพลินราคะความตัดความติดใจยินดีมีความอภินันคือเพลิดเพลินยินดียิ่งยิ่งในอารมณ์นั้นๆน ได้แก่กรรมตัณหาตัณ ห, หาในกรรมคือรูปเสียงกลิภภ่นรสพจธภะที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายหรือว่ารูปเสียงกลิ่นรสพจธภะและ ธมารมคือเรื่องราวที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายเพราะว่ตัณหามันตัณหาในพบคือความเป็นนั่นเป็นนี่วิภพว่ะตัณหาตัณ ห, หาในวิภพคือความไม่เป็นนั่นเป็นนี่ และกันหานั้นท่านมักแปลกันว่าความทยานอยากความดิ่นรนของจิตใจหรือแปลกันอย่างธรรมดาว่าความอยาก อธิบายตัณหาโดยทั่วไปก็มักอธิบายตามพระพุทธอ ธ, ธิบายดังกล่าวแต่ในที่บางแห่งก็ได้มีพระพุทธอ ธ, ธิบายว่าตัณหา คือตัณหาในอาจิณะนาภายนอกทั้งหกคือรูปเสียงกลิ่นรสอดสัพพะคือสิ่งถูกต้องและธรรมะคือเรื่องราวหรือว่าในอารมณ์หก ก็คืออายตนะภายนอกหกนั่นนั่นแหละสัพธรรมะนั่นเมื่อเรียกว่าอายตนะก็โดยที่เรียกคู่กับอายตนะคืออายตนะนั่น แปลว่าที่ต่อหรือว่าต่อกันแบ่งออกเป็นภายในก็คือตาหูจมูกลินกายและมันไดที่เป็นภายนอกก็ได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสผพทัพะสิ่งถูกต้อง และธรรมะคือเรื่องเราเมื่อจัดเป็นคู่กันตาก็คู่กับรูปคือตากับรูปนั้นต่อกันหูก็คู่กับเสียงเราหูกับเสียงนั้นก็ต่อกัน จมูกก็คู่กับกลิ่นเพราะจมูกกับกลิ่นนั้นก็ต่อกันเล่นก็คู่กับรถเพราะเล้นกับรถนั้นก็ต่อกันกายก็คู่กับโภตพภะสิ่งที่ถูกต้องเพราะกายกับโธตพภะนั้นก็ต่อกันมณะคือใจก็คู่กับธรรมะคือเรื่องราว เพราะมะโนหรือมณ ะ, ะคือใจกับธรรมะคือเรื่องราวนั่นก็ต่อกันฉะนั้นเมื่อต่อกันดังนี้เรียกว่าอายตนะอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอารมณ์คำว่าอารมณ์นั่น ได้แกเ่เรื่องที่จิตคิ ด, ดเรื่องที่จิตดำริเรื่องที่จิตใจหมกมุ่นถึงครุ่นคิดถึงอันเป็นที่ตั้งของวิญญาณภาษาอภิธรรมนั่นเรียกว่าอาลัมพณะ ที่แ ป, แปลว่าเป็นเครื่องนวงของจิตและคำว่าอารมณ์ทั้งหกนี้ก็เรียกคู่กับทวารที่แปลว่าประตูก็คือว่าอาจาจักภายใน อันนแกตาหูจมูกลิน้นกายและมณะคือใจนั้นนอกจากเรียกว่าอาจตนะภายในแล้วยังเรียกว่าทวานทั้งหกคือประตูทั้งหกเช่นว่าตา ก็เรียกว่าจากขุทวารคือประตูตาเป็นต้นและเมื่อเรียกตาเป็นต้นวัฒวานก็เรียกอายจธ น, นะภายนอกทั้งหกที่ต่อกันว่าอารมคือเรียกว่ารูปารม อารมณ์คือรูปเป็นต้นฉะนั้นคำว่าทวานกับอารมณ์จึงเป็นข้อที่เรียกคู่กันแต่ก็หมายถึงสิ่งอันเดียวกันหรือหมดเดียวกันกับอยายตนะภายในอนารมณ์ภายนอกนั่นแหละ ที่เรียกว่าทวารกับอารมณ์นั่นก็อาจมีปัญหาว่าเป็นประตูของอะไรสำหรับอะไรที่จะเข้าไปก็ตอบว่าเป็นประตู สำหรับที่อารมณ์ทั้งหกนั่นจะเข้าไปนั่นเองเข้าไปสู่อะไรคือเข้าไปสู่จิตหรือที่เรียกว่าวิญญาณ ดังที่ได้มีพระพุทธภาสิตรัดแสดงไว้ว่ามีนครหนึ่งเจ้านครเรียกว่านักรสามีเจ้านคร ซึ่งได้ประกราศนครและได้มีทุดเข้าไปสู่นครทางทวันคือทางประตูแห่งนคร และได้มีพระพุทธอธิบายว่านักะสามีเจ้านครนั้นก็คือจิตและก็มีอธิบายสืบเนื่องกันแบบประตูแห่นงนครนั้นก็คือว่าทวารทั้งหก จกขู่ทวารประตูตาสำหรับอารมณ์คือรูปเข้าไปโสดทวารประตูหูสำหรับอารมณ์สำหรับอารมณ์คือเสียงเข้าไปขานทวารประตูจมูกสำหรับอารมณ์คือกลิ่นเข้าไป คิวหาทวานประตูลิ้นสำหรับอารมณ์คือรถเข้าไปกายถวานประตูกายสำหรับอารมณ์คือผลพระภภสิ่งที่ถูกต้องเข้าไปและมโนทวานประตูใจสำหรับที่ธรรมะคือเรื่องราวเข้าไป สำหรับที่อารมณ์คือธรรมะอันไแรกเรื่องราวเข้าไปก็เข้าไปสู่นัรรสามีเจ้านครก็คือจิตหรือวิญญาณ